วันสุดท้ายละของพวกเข้าคอร์สรู้เรื่องบ้างไหมไหนคนไหนติดสมาธินะมีเราก็รู้ทันใจที่ติดสมาธิอยู่ใจที่ติดสมาธิเนี่ยมันเป็นใจที่เราเข้าไปแทรกแสงเราเข้าไปควบคุมอย่างเรากลัวมันหลงเราพยายามไปเฝ้ า, าไว้เรากลัวจะรู้ไม่ชัดเราก็ไปคอยจ้อง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 สมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านชาบพูดคำว่าจิตผู้รู้หลังๆเราลืมคําว่าจิตผู้รู้ไปเรามีแต่จิตผู้เพ่งก็ไม่จิตผู้เพ่งก็มีแต่จิตผู้คิดจิตผู้เพ่งนะมสุดโตไม่ข้างบังคับตัวเองจิตผู้คิดแล้วสุดโตไปข้างฟุ้งซ่านหลงไปอยู่ในโลกของความคิด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 พุโทโธแล้วก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่ก็รู้ทันนะตรงที่พุโทโธแล้วหนีไปคิดเนี่ยสุดโต่ไปข้างหลงข้างคิดข้างฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งสุดโต่ไปข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งสองฝั่งให้คอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่สุดโต่ไปสองข้างก็จะเข้าทางสายกลางหรือรู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิต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 ภาวนาอย่างที่พวกเราดูนี่แหล ะ, จะเจริญสติไปแต่ว่ามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณนะขณะจิตตั้งมั่นนะไม่ใช่จิตสงบคนละนกั น, แ, กนแต่ในความตั้งมั่นมีความสงบสงบจากอะไรสงบจากนิวรเท่านั้นเองไม่ใช่สงบจากอารมณ์ต้องแยกให้ออกนะที่ว่าสงบสงบไม่ใช่สงบจากอารมณ์นะแต่สงบจากนิวร อ, อารมณ์มีร้อยอารมณ์ก็ได้พันอารมณ์ก็ได้มื่นอารมณ์ก็ได้ล้านอารมณ์ก็ได้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 เราจะต้องฝึกจนะทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอาศัยสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตมันไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปเพ่งอย่างหายใจอยู่ก็ไหลไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นเลยหรือไปไหลไปคิดเรื่องคำบริกรรมนะองหนอยุบหนอะไรขึ้นมานี่ไหลไปคิด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 ในมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งชื่อวิสุท ธ, ธิใครเคยได้อ่านบ้างวิสุท ธ, ธิเจนะ็ดธรรมะเรื่องวิสุท ธ, ธิเจ็ดเนี่ยอยู่ในพระสูตรที่โดดเด่นเป็นหนึ่งเลยนะสูตรหนึ่งเลยคือรัฐวินีตสูตรนะรถเจ็ดผลนะรถเจ็ดผลก็คือวิสุท ธ, ธิเจดประการนั่นเอง คนไหนที่ผ่านวิปัสสนูไปแล้วนะรู้ว่าวิปัสสนูไม่ใช่ทางจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเห็นรูปประธรรมนามมาทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้ตรงเนี้ถ้าเทียบในวิสุทธิเจ็ดนะก็ได้ได้วิสุทธิที่ชื่อว่ามัคขามัคคยาณทัศนวิสุทธิ์ชื่อยาวเป็นปี๊บเลยนะมัคขามัคคมาจากอะไรมาจากคาว่ามัคกอมัคนะมัคอะมัคมัคอะมัคมัคอะมัค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 ใจจะหมดความทิ้นรนนะเพราะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันสุขกับทุกเท่ากันดีกับชั่วเท่ากันจิตจะไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบหลงที่รู้รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่มีจริงหรอกกว่นะาจะสักว่ารู้ว่าเห็นนะเกือบจะเกิดอริยมรรคละนะตอนที่ต่อแต่อยู่อย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกเจอสุขก็ชอบเจอทุ ก, ก็เกลียดนะ วันนี้ไม่มีสติเลยท้อแท้ใจวันนี้สติเกิดบ่อยสู้ซาสู้ซาเลยเห็น mm hmm. ดีใจ <Yeah. S 1> นะั้นกว่าจะเป็นกลางได้นะปัญญาต้องอย่างยิ่งเลยเห็นเลยเห็นซ้าแล้วซ้าอีกว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันไปหมดนะจิตจะไม่ดิ้นรนต่อเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งนะ อัวนี้เรียกว่าสังขารุเบกขายานนะเป็นวิปั ส, สนาญาณตัวที่เก้านะตรงที่เห็นความเกิดดับของรูปนามจนกระทั่งกเกิดวิปัสโนอะไรเนี่ยนะเป็นตัวที่หนึ่งนะวิปั ส, สนาตัวที่เก้าอย่าไปกลัวว่ามีหลายตัวบางคนเดินนะปุ๊บเดี่ยวทะลุเก้าตัวเลยนะบางคนเดินนิดหน่อยนะก็ทะลุไปเกิดความเบือ่อเกิดความเมืองวางเกิดความกลัวอนะไรขึ้นมาแทรกเข้ามาว่า ต, วตัวตนหายไปนะ